อาญาโยมทุกคนทั้งเจ้าถิน่นทั้งอาคันทุกะที่มาสู่วันนี้เป็นวันที่สองแล้วเป็นคืนที่สองญาติโยมทางชาวกรุงเทพมหานครมาบําเพ็ญกุศลสมทบกับญาติโยมที่วัดนงประพงศ์อันนี้เป็นวันสุดท้ายอาตมาเลยถือเอาสิ่งที่เป็นมงคลคือรูป แจกเพื่อเป็นอนุสร์ในการไปมาของพวกท่านทั้งหลายและพระพุทธรูปองค์เล็กที่ยืนอยู่ก็เป็นพระของนออระุงมิทิเพนท่านสร้างเมื่อเวลาที่ท่านออกอุปสมบทไปอยู่วัดท่านอาจารย์ฟันแล้วก็ท่านมาขอเส้นผม ในเวลาวันพระที่โกรนผมท่านมาขอเอาไปผสมก็อะไรไม่รู้ท่านก็ปั้นเป็นรูปพระแล้วให้ดุกสิทิทหารอากาศสร้างท่านไม่เอาไปที่ไหนท่านก็เก็บมาถวายไววที่วัดน้องประพง์สั่งว่ากระผมสร้างพระนี้เห็นว่าหวงพ่อนั่นไม่ยอมสร้างเหรียญกระผมจึงเห็นประโยชน์ จึงได้ให้ลูกศิษย์ปันพระเล็กๆยืนเพราะว่าพระประธานในวัดตรงประพงศ์นี้ก็เป็นพระประธานยืนแต่ว่ายืนอธิบายจับชี้แจงสองมือไม่ใช่มือเดียวอย่างเงี้ยทาเป็นสองมืออย่างเงี้ยแต่เป็นพระปางปฐมเทศนาได้มีคนถามมาล่องพ่อไอ้พระ ปังปตมติสนานี้ท่านอธิบายมือเดียวอันนี้ทำไมมีสองมืออัตมาตอบเขาว่าคนในเวลานี้มันไม่ค่อยได้ยินมันหนาหลายต้องทำสองมือมันจึงเข้าใจคนแต่ก่อนเน้นพระพุทธเจ้าเทศในอันสนะนั่นก็เป็นโซราสกีตาคาอนาคาไปมากท่านเน้นมือเดียวก็พอแล้ว ทุกวันนี้ลูกหลานประชาชนนคงมันจะหนาไปนะมั้งในเน้นสองมือเสียเพื่อใจมันรู้สึกซหน่อยหนึ่งวันนี้ก็เลยเก็บไว้เพื่อมาฝากพุทธบริษัททางหลายพระนี้ก็เหมือนมีดเล่มหนึ่งมันคมคมมีดคมคมเล่มนี้ ถ้าหากว่าเราเอาไปใช้ประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์มากถ้าเราเอาไปใช้ไม่รู้จกประโยชน์ของมีดมันก็ไม่เกิดประโยชน์พระนี้ของเหมือนกันฉันนั้นเรานับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นชาวพุทธเราทั้งหลายนั้นไม่หมายถึงว่าให้พระมาคุ้มครองเราให้เราคุ้มครองพระโดยมากคนไม่อยากปฏิบัติตามพระ ได้พระไปแล้วปล่อยพระมาคุ้มครองเราอันนี้คิดใหม่เราคุ้มครองท่านจะคุ้มครองเราก็เรียกว่าเราปฏิบัติตามคําสอนของท่านคือคําสอนของท่านนะั้มันถูกแล้วไม่ต้องแก้ไขแล้วมันถูกต้องดีแล้วทุกอย่างทุกประการอืมนะที่ถูกต้องนั่นแหละเป็นคําสอนของพระ ถ้าเราทํากายทำวาจาทำใจของเราให้ถูกต้องแล้วก็ไม่มีทางจะแก้ไขก็ขมันหมดเท่านั้นเนีะนี่เรียกว่าเราเข้าใจเช่นนั้นเราเอาพระไปบูชาไปแขวนไว้ที่คอนะไอ้เมื่อความไม่สบายกายไม่สบายใจมาถึงก็อืออันนี้หลวงพ่อนะครัมดูเห็นหลวงพ่อแขวนอยู่เนี่ยอันนี้มันเป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อกุมครองเราแล้วน่ะเราจะไปทําอะไรก็ได้จะไปกินเหล้าก็ไรจะไปเป็นนักเลงก็ได้จะไปเป็นอะไรก็ได้นะหลวงพ่อกุมครองเราอยู่ไม่กลัวแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะเนี่ยนะคือประดับความดีของเราเช่นว่าเราเข้ามาในวัดถ้าเราเดินมาตต์ตัวปเปล่าๆนั้นนี่ก็ไม่ค่อยปรากฏกระหูกกรตาคน คนที่เข้ามาวัดนี่บางทีก็ถือธูปมาแล้วก็มีเทียนมาแล้วก็มีอะไรต่างๆมานี่แสดงว่าคนนี้มีศรัทธาจะไปวัดถ้าเดินเข้ามาเฉยๆก็ไม่ค่อยจะรู้อันนี้ให้ปรากฏแก่ตามนุษย์ทั้งหลายด้วยเป็นเครื่องหมายพระพุทธรูปนี้่็เหมือนกันฉันนั้นพระพุทธรูปนี่เกิดทีหลังพระพุทธทเจ้า พระพุทธเจ้านิพพานไป็หลายร้อยปีเหมือนกันทีนี้มีคนที่มีปัญญาคิดถึงพระพุทธเจ้าจะทำไงดี น, น้อก็เลยคิดปั้นพระพุทธรูปขึ้นมาองั้นคนมาปั้นขึ้นทนีนี้อย่างนั้นพระพุทธรูปจึงไม่เหมือนกันไอ้พวกจีนก็เป็นรูปหนึ่งพวกไอ้เชียงใหม่ก็เป็นรูปหนึ่ง ญี่ปุ่นก็เป็นรูปแต่ก็ยังไงก็ตามแต่ใครๆก็ปั้นเป็นรูปพระนั่นเองเนี่ยแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเหมือนกันที่ว่าพระอ่ฉะนั้นเราผู้เป็นพุทธบริษัทนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งก็มีพระไว้ประจําตัวเป็นวัตถุเพื่อจะให้มองหินหนวยตา่นนั้น เหมือนกับหูของเรานั่นแหละรู้จักว่ามันผิดอยู่แต่ไม่มีใครพูดให้ฟังมันก็ไม่สะกิดใจเราถ้ามีใครเตือนบ่อยๆตรงนั้นมันผิดหนาะดูกนะตรงนั้นมันผิดหนาะอย่างนี้เราก็มีสติขึ้นมานะอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเราเอารูปพระไปแขวนคอไปแขวนคอก็เพื่อให้เรามีสติอย่างนั้นวันหนึ่งอ็ตมา ผู้กำกับนิมนต์ไปสถานีตํารวจไปทําบุญกันทําบุญแล้วท่นานก็ว่าลุงพ่อนิมนต์ศาสตร์นำมนต์ให้เป็นศรีมงคลด้วยที่เขาหามาแล้วอัตมาก็ศาสตร์ไปเขาบอกว่าลุงพ่อนิมนต์มาทางนี้ด้วยมาศาสตร์ให้พวกนี้ด้วยอัตมาก็เดินไปไม่รู้จักบัตรีคุมขังของเขาบอกเฮ้ยเ้ยไอพวกเนี้ย มันดุกมันนีหลวงพ่อมาแล้วเนี่ยศาตามนเสียงหลวงพ่อมันโดนกันดังเสวเสียเสวเสียเสวเสียมาในพวกเฮโรอีนทั้งนั้นนาจิงโก้ทงนั้นเนี่ยอันตรมาก็จะทำยังไงเนาะอ่นี่คือมันไม่เข้าใจไปทำความชั่วอยู่ก็เป็นทนนี่นั้นแต่พระมันแขวนอยู่ในคอมันไม่ดกสึกตัวเพราะมันไม่เข้าใจพระถ้าเข้าใจพระ อันในทันห้ามมันผิดเดียวก็เลิกเท่านั้นมันจะมีอะไรกันมันก็ไม่มีอะไรกันแล้วดังนั้นจึงเป็นอนุสติที่เราเจะระลึกที่เรียกพระวันนี้ไม่ใช่ว่าพระคงประพันธ์หยาบมันเหนียวมันอะไรหลายอย่างเพื่อน้อมจิตของเราไปบูชาพระให้ใจเราไม่เป็นพระพระนี้ก็หมายความว่าไอ้คู่ที่หลับพิษภัยต่างๆ เป็นคนที่เยือกเย็นจิตตั้งมั่นในการละความชั่วประพฤติความดีอยู่ทุกเวลาอิงเป็นพระที่แจกพระให้ญาติโยมทั้งหลายวันนี้บางคนก็คงดีใจมากบางคนก็สงสัยอะไรไดหนๆอย่างคนตอกบินอย่างนั้นแค่นั้นอย่างไรก็ตามเธอพ่อแม่ของเราที่ท่านเสียไปแล้ว เราเหลื อ, อรูปพ่อแม่เราไปบูชาเราก็ดีใจไม่ใช่ตัวจริงของท่านก็จริงแต่เป็นรูปของท่านเราก็สบายใจที่เรามองเห็นแล้วถ้าเรานับถือพ่อแม่ว่าเป็นพ่อแม่ของเราอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจิงเป็นอนุสติที่เป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายระลึกถึงได้อันนั้นอนตามาก็ไม่มีอะไรที่จะแ ก, ก่นอกจากแ ก, ก่ ธรรมะให้ฟังธรรมะนั่นก็คือเน้นให้ความเข้าใจความผิดความถูกในชีวิตมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาอาตมาก็รำรงสอนลูกศิษย์ลูกหามาหลายสิบปีแล้วจนถึงวันนี้โยมทั้งหลายก็คงจะได้ดูดูหรอกว่าพระวัดประพง์เนี่ยโดยมากดวงตาน้อยไม่ค่อยมากทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เป็นเพราะว่าปฏิบัติตรงตามพระพุทธเจ้าคนแก่นั้นเดินตามไม่ค่อยไหวแต่คนที่ตัดสินใจว่าเอาตายมันเป็นตายเสียแก่มันก็ตายหนุ่มมันก็ตายถึงขอมามอบกายถวายชีวิตอย่างนั้นก็มีแต่ว่ามีน้อยปฏิปทาของวัดนี้อาตมาจะให้เป็นเหมือนๆกัน คนเราทั้งหลายนั้นศาสนาที่จะเสื่อมหรือคนที่จะทะเลาะกันนั้นก็ไม่มีอืนเพราะความเห็นไม่เข้าใจกันไม่ถูกกันในครั้งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันที่จะเกิดเหตุอะไรต่างๆขึ้นมาคณะสงฆ์จะแตกกันนั้นก็เพราะความอยากเอ ก, ก ร, ราบเกิดขึ้นมามากเกิดขึ้นมาหลายอย่างอัตมานี่แนีเป็นสมพานวัด บวชก่อนเขาโยมก็ชอบถวายของมากๆขนมก้อนใหญ่ๆโตๆก็ชอบถวายอัตมาอะไรดีๆก็ถวายอัตมานั่นแหละมนุษย์เราก็ชอบเป็นอย่างนั้นถ้าอัตมานี่ไม่เป็นพระก็เก็บไว้คนเดียวเท่านั้นเลยหมดท้ายแถวมก็หิวเท่านั้นแหละเหมือนคนจนกับคนรวยนะี่นะ ไอ้คนจนเนี่ยมันก็มันจนมันไม่รวยไอ้คนรวยมันก็ไม่แบ่งเดี้ยมก็ชวนกันก็ไปโป้นเท่านั้นมันไม่แบ่งไงไม่มีกินจะทำยังไงมันเป็นจช่นั้นไม่วาดแต่มนุษย์โดยแม่สุนัขเราก็เหมือนกันดองดูทีให้มันกินตัวเดียวดูสิมีไหมสุนัขที่บ้านเราเคยมีไหมมีสุนัขสองตัวสามตัวไหมเอาให้มันกินตัวเดียวสิลองลองดเียน น่ะมันจะ ด, ดูขยํากันตรงนั้นเลยอันนี้ก็เหมือนกันนั่นธรรมชาติมันเหมือนกันอย่างนั้นอฉะนั้นที่วัดนี้หรือสาขาออกจากวัดนี้พยายามให้สอนว่าเอกราษทั้งหลายที่มันเกิดมาในทีน่นี้เช่นว่าโยมกอนิมนต์พระไปสวดมนต์เย็นเก้าองค์อย่างนี้อตาตมาก็จัดไปเก้าองค์ พี่จัดไปเก้าองค์นั้นทายกก็จะถวายอีกก ร, ราบมาองคดะชินดะชินดะชินเมื่อมาถึงวัดแล้วทั้งเก้าองค์นั้นทิ้งไปตรงนั้นเลยไม่มีของเจ้าของแล้วมาที่นี่ทิ้งไปกองกลางนั่นแหละประกาศว่าใครไม่มีใครขาดแขนอะไรไห ม, มนิมนจะได้ไปสวดมนต์หรือไม่สวดมนต์ก็ไม่ว่าอะไรเอาวางไว้ตรงนั้น ถ้าพูดเป็นสิ่งที่มันหนักหนักขึ้นไปก็เช่นว่าเงินหรือทองนี้อย่างโยมมามาถวายนี้ก็ไม่ใช่ของพระพระเดียนในวัดเนี้ยในญาตไม่มีศักสตางอ่ะทุกองค์ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอาตมาเชื่อพระพุทธเจ้ายังไม่กี่ปีมาแล้วแต่ก่อนไม่เชื่อท่านนะ่องเงินทองญาติโยมถวายมาทําไมมันบาปทําไมมันผิดเนี่ย คิดว่าพระพุทธเจ้าท่านหลวงในความเป็นจริงนั่นก็เมื่อได้ออกมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็รู้เรื่องว่าเออเงินทองนี่เป็นของคารวะไม่ใช่เป็นของพระถ้าพระมาดั่มมารวยอยู่ในคารวาในะอย่างคารวะนึ่นก็แยกกันเท่านั้นแหละมันแยกการต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างมีเงินมีทองพูดไปฟังเสียงใคร เป็นก๊กเป็นเหล่าคณะนี่ น, นะหลวงพ่อคณะเหนือหลวงพ่อคณะใต้หลวงพ่อคณะตะวันออกหลวงพ่อคณะตะวันตกโยมก็เป็นสามกลุ่มสี่กลุ่มเข้ากันใครชอบตะวันออกก็ไปตะวันออกใครชอบตะวันตกก็ไปตะวันตกก็เลยเป็นพระกูพระมึงเข้าไปเลยเสียหายหมดเพราะอันนี้เองวัดนี้อาตรมาจึงสอนลูกศิษย์ลูกหานั่นไม่ยึดมั่นถือมั่น ที่มันเหลือมีอยู่นั่นก็มาบอกผมเป็นคนปรนารณาเป็นพนประวราจะไปที่ไหนมีประโยชน์ไหมไปอุบวนไปทําไมไปเล่นไม่รับรู้ถ้าไปเล่นไปโรงพยาบาลนือไปโรงพยาบาลอารถให้อะไรให้ถ้าไปไม่มีประโยชน์เด็กก็ไม่รับรู้ไปเล่นอย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้เล่นมันเด็กกัมันเล่นผู้ใหญ่มันต้องหยุดเล่นกันเนี่ย พระสงฆ์นี่พูดความเป็นจริงน่ะนิมนต์ที่ไปไหนเจ้าค่ะไปเล่นโยมเท่านี้ก็เป็นอาวัตแล้วพระนี่ไม่ใช่พระเล่นไม่ใช่นีนเล่นไม่ใช่บวชมาเล่นถ้าญาติโยมถามว่านิมนต์ลูกตาไปไหนไปเล่นนี่ผิดแล้วมันขนาดอย่างนี้แต่ว่าทุกวันนี้มันเสื่อมโทรมไปเพราะเอกลาบราบหนึ่งยศหนึ่ง ถ้ามีราบมีหยดสันตะเสริญมกุชูเกิดขึ้นมาอีกเสแล้วก็รืมเนื้อรืมตัวไปเสียอย่างนี้ก็ต่างคนต่างแย่งเอกราบกันเท่านั้นแนี่ไอ้ความเป็นจริงที่ระบวชมาในพระพุทธศาสนานล้วไม่จําเป็นจะไปทําของอย่างนั้นทําให้มันดีๆกว่านั่นดีกว่ายกตัวอย่างเช่นโบสถ์วัดประพงศ์เรานะลูกศิษย์ร้ายคนเลยมาอ้อนวอนให้อัตมา ทำเหรียญบางคนโกรธเลยทำไบอนุโมทนาบัตรเส็นชื่อตามาใส่ไปนั่นจะไปหาเงินตามาไม่ได้เลยไม่ยอมไม่ยอมให้ทำเหรียญถ้ามันมีแววๆเนี่ยถึงซื้อพิมพ์บางครั้งก็มันขโมยทำกันไอ้คนที่มาถ่ายรูปไปเอารูปไปเด็กไปทำบล็อกอะไรต่ออะไรไอ้ตามาก็ไม่รู้เรื่องแต่มันก็ไปไม่ไหวหรอกน่ะมันขโมยทาไป อย่างนี้อตาตมาก็ไม่ส่งเสริมอตาตมาคิดว่าโบสถ์ดังนี้คนจะสร้างโบสถ์นั่นจะสร้างเพื่อเอาเหรียญหรือเปล่าก็ไม่รู้มีเหรียญที่จะสร้างโบสถ์กันดียังไงเอาว่าคนมนุษย์จิตสูงๆนะ่ะมีหรือเปล่าทุกวันนี้ที่ว่าไม่ต้องการเหรียญต้องการบุญจริงๆนั่นมีหรือเปล่าอตาตมาก็ทดลองดูดี อยากจะดูประชาชนพุทธบริษัทเราทั้งหลายว่าเมืองในเมืองนอกมีไหมใครว่ายังไงก็ช่างเถิดเราจมาไม่ฟังเสียงจะทําอย่างเนี้ยโบทดังนี้มันจะเสร็จก็ให้มันเสร็จไปมันจะไม่เสร็จก็ไม่ให้มันเสร็จไปเถอะทําวันนี้มันก็เสร็จวันนี้ทำพรุ่งนี้ก็เสร็จพรุ่งนี้ถืออย่างนั้นก็ได้ทํากันไปโงหว่ามีงบ ป, ประมาณเท่าไรไม่รู้มันเสร็จนาฬิกาโยมงบประมาณมันอืมเนะี่ย ก็ได้ทำมาได้ดื้อย ด, ด้ื้อมาอย่างนี้ไนะก็ยังมีคนดีหลายคนมีคนดีมากที่จะไอ้สร้างบุญเพื่อเอาบุญจริงๆนั่นมีมากตรงเนี้ยไงไม่ได้ไปที่ใไรใครไม่ได้ไปบอกบุญใครที่ไหนก็ไม่ได้ไปโบสถ์บางแห่งอัตมาว่าเมื่อทำช่อฟ้าหรือดุบีวีดแล้วจอนเช้ามาก็เอา ขึ้นรถยนต์วิ่งตลอดวันไปเถอะหลายกี่จังหวัดวเอามาฮะกลับมาเดียวกระทึงพรุ่งนี้ก็ไปอีกเอาอยู่อย่างนั้นแหละบทดังนั้นนานเสร็จเหมือนกันมันนานเสร็จนะบทนี้เรียกว่าไม่มีอะไรมากที่ญาติโยมมาถวายไว้แม้ตั้งแต่สตางค์หนึ่งสองสตางค์ก็ตามแต่ไม่มีไปที่ไหน ตรงนี้รวมในที่นั่นในตลอดทำบุญให้ทานบุญบ้านอะไรต่างๆรวมไปตรงนั้นดกดพระไม่เอานี่ก็ทุ่มเทลงไปในนั่นหมดฉอนั้นของมันจึงไม่แยกกันนะมันจึงไม่รวมเป็นอันเดียวกันหมดไม่มีอะไรตรงนั้นโดยดยมากก็ทิวัดรน้องประพงน์นี้จะไปวรินอย่างนี้ก็โยมมีศรัทธาในอรุณถวายไปฮะไม่จำเป็นที่จะทำอะไร ไม่จํำเป็นจะต้องเสียเงินกเพราะพระไม่มีเงินลูกศิษย์ลูกหาประชาชนทั้งหลายกําลังเข้าใจกันจะไปโ น, น่นไปนี่ก็สะดวกถึงแม้ว่าจะเดินไปตรงไหนก็เดินไปเถออย่างพระฝรั่งมาอยู่ด้วยท่านอยากจะไปท่านก็เดินไปกรุงเทพเถอผมไม่มีค่ารถจะส่งให้ท่านหรอกท่านก็เดินไปเดินไปเถอท่านปฏิบัติไปแต่ไม่ถึงกรุงเทพหรอกไม่ถึงหลายกิโลละเขานิมนต์ขึ้นรถ ท่านมาจากไหนมาวัดรงประโงคนิมนต์ครับเขาค้นบัดตรงประโงคเอาสตางถไว้ใส่ย่ า, ยยาม ท, าท่านมันไม่เอาฉันเอาไม่ได้ผิดบาปนี่ญาติโยมทั้งหลายก็ถ้าจะส่งก็ส่งไปวัดรงประโงคนุ่นดีกว่าอาตจจมาจึงได้รับปัจจัยมาหลายหลายนายสถานีบ้างนายตำรวจบ้างใครๆบ้างพ่อค้าประชาชนทั้งหลาย ส่งเช็ดมาที่พระฝรั่งเดินทรุงไปว่าพระฝรั่งไม่เอาเงินท่านบอกว่าให้ส่งวาที่วัดประพง์นี้ให้มันเป็นประโยชน์อย่างนั้นอันนี้ก็้วยอำนาจที่พระไม่ต้องการเอาเงินต้องการสร้างคุณงามความดีเห็นโทษมันอย่างนั้นสมัยนี้โยมยังไงก็ไม่ค่อยจะรู้กันนะแต่ว่าไอ้เงินนี่มันเหมือนมีดเล่มหนึ่งถ้าเราไปใช้ในทางประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์มาก ถ้าไปใช้ในเป็นโทษมันก็เป็นโทษมากจยางนั้นเงินนี่ไม่ดีดื้อมันดีทั้งเป็นคนใช้ที่ดีมันก็ดีไม่ใช่ว่ามันไม่ดีถ้าเรามีประโยชน์รู้จักประโยชน์ของมันรู้จักใช้ทุกวันนี้นิยมอันนี้กันมากแต่ทําไม่ค่อยถูกบางทีก็เอาแบ่งนี่ไปฉันก็ใส่ย่ามพระไปเลย อย่างนั้นถือว่าเป็นบุญแล้วอันนั้นเดียคือมันผิดแล้วมันผิดมันน่าจะให้มันถูกแต่ว่าให้มันผิดมันผิดแล้วโยมมันผิดยกตัวอย่างง่ายๆนะโยมกอ่อกับโยมขอสองคนคนหนึ่งถวายเหล้าเมฆงกับพระคนหนึ่งเอาใบแดงๆถวายพระ สองคนนี้ถ้าหากว่าประชาชนเราดูกันก็เห็นว่าโยมกอเนี่ยมันผิดเอาเราไปถวายพระโยมขอนี่มันถูกเอาเงินถวายพระจะได้เห็นกันอย่างนั้นอย่างน้อยเก้าสิบเปอร์ซนเห็นว่าเรามันไม่ควรเก็บพระเงินมันควรเก็บพระอย่างนั้นอันนี้นี่ว่ามันจะเกิดประโยชน์อยู่แต่เราไม่รู้จักประโยชน์ในการใช้มันก็เกิดโทษ มิฉะนั้นถ้าหากว่ามีของมากๆขึ้นมามันก็เกิดทิฏิมานะเกิดตัณหาขึ้นมากแล้วก็เกิดอันตรายกันฉะนั้นแต่คนไม่ได้ค่อยพิจารณาอย่างนี้สมมุติว่าเงินทองมันถึงขนาดนี้ว่าพระกอจะไปซื้อเงาะมาสักพวงหนึ่งซะหรือลำไยมาสักพวงหนึ่งซะซื้อรลยตนเองมาก็เอามาซะ มาฉันเนื้อมันเอาเอามาเล็ดมันหนึบกลับไปในดินนั้นนี่มันเกิดขึ้นมาอีกเป็นต้นําใหญ่อีกพระองค์นั้นไปอยู่ร่มมันไม่ได้อยู่ร่มมันก็ไม่ได้ไม่ว่าจะจะไปกินมันเลยอยู่ร่มลำใหญ่ไม่ได้โ ย, ยมไม่ได้จะไปซื้อผ้ากีวรมาไปซื้อเตียงมาเองอย่างเงี้ยมันนอนไม่ได้แต่ว่ามันนอนได้มันเปลีย่ยนใจย่งนนแต่อันนี้ไม่รู้ซึ้งในจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายในเวลานี้ มิฉะนั้นมนุษย์เราทนายจึงอุปถากพระส่งเสริมพระในทางที่ไม่ถูกเห็นว่ามันถูกมันจึงมีความเสียหายเกิดขึ้นมามากอืฉะนั้นก็เรียกว่าเรานับถือพุทธศาสนานี้เราทําอย่างนั้นก็เรียกว่าเข้าใจว่าเราปฏิบัติศาสนาให้เจริญถาวรความเป็นกริงมันเหยียบย่้มพุทธศาสนาให้ยับยืนไปเนี่ยแต่เราคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจอย่างนั้น ในฉะนั้นวัดนี้อาตมาพยายามที่สุดไม่พยายามที่สุดถ้าเป็นวัดประพง์หรือสาขาวัดประพง์แล้วจริงๆไม่มีไม่แต่ไม่มีเงินในย่ามไม่มีเป็นอย่างนนถ้าหากว่าเดินทางไปถวายค่ารถก็ให้เจ้าของรถเข้าไปเงินมีจะให้เงินประจัยของท่านด้วนๆนี้ไม่มี มิฉนั้นทุกสาขานี่ที่ออกจากวัดหลงประพงศ์นี้ประมาณในเราสักสามสิบกว่าสาขาเนี่ยทุกวันนี้เกือบจะถึงสี่สิบแล้วอันนี้ก็ค่อยๆทํามาเรื่อยๆมาอย่างนั้นน่ะเป็นมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาตลอดทุกวันนี้การสร้างวัดทุกแห่งก็จะเป็นไปใ น, นระเบียบอันเดียวกันนี้โดยมากจะต้องเป็นอย่างนี้มิฉนันวันนี้จึง ให้แถลงให้ญาติโยมทั้งหลายให้รู้จักว่าพระวัดหนองบัวโพนทำมาก็ทำมาเรื่อยๆมางี้มิฉะนั้นแต่พระไม่มีสตางค์แต่พุพระมีพระวินยัยมีข้อวัดปฏิบัติอืสมัยนี้ข้อวัดปฏิบัติเราไม่เกือบจะหมดกันแล้วหมดกันมันจะหมดกันแล้วฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาบําเพ็ญบุญบําเพญ็ญกุศลในวันนี้ หรือทุกวันที่ไหนก็ตามให้โยมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแต่ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านั้นระลึกยังไงว่าพระพุทธเจ้าท่านทำยังไงท่านพูดยังไงท่านสอนยังไงก็ระลึกถึงคุณท่านเราก็ดูจากคุณของท่านแล้วเราก็ปฏิบัติตามธรรมะคาสอนของท่านนั้นก็เรียกว่าเราปฏิบัติตามธรรมะ เมื่อเราปฏิบัติเข้าไปใกล้ธรรมะล้วก็เข้าใกล้พระพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเราก็หายสงสัยบาปก็หายสงสัยบุญก็หายสงสัยปัจจุบันนี้ก็หายสงสัยอดีตก็หายสงสัยอนาคตนั่นก็หายสงสัยว่าทำดีได้ดีหรือเปล่าทำบุญได้บุญหรือเปล่านี่อย่างนี้รู้จะรู้ตัวบุญจริจรงๆ โดยมากคนทุกวันมีศรัทธาแต่ไม่ค่อยมีปัญญาว่าทำบุญนั่นก็ได้บุญไหมไม่รู้พ่อแม่ทำมาอีฉันก็ทำมาอย่างนั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นมันถึงมีการฟังทำการแนะน ำ, ำสอนให้ทายกทายกิายกาเราทั้งหลายเข้าใจเรื่องปฏิบัตินี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทุกวันนี้ไอ้ที่มันตรงตามหน้าที่ของมันนี่มันก็น้อย คล้ายๆก็มาเขื่อมาเขือต้นหนึ่งเราจะปลูกมันปีนี้ปีหน้าต้องถ่ายเอารูปใหม่ทําพันุจะเอาไอ้เมล็ดอันเก่าไปทําพันเรื่อยๆแต่มันก็เป็นมะเขือขื่นถึงนั้นเยมันเสียหายไปถ้าเราไม่ปฏิบัติให้เข้มงวดกันในนี้ก็เรียกว่ามันหย่อนกันไปเสียถ้ามันหย่อนมันจะเป็นมันผิดมันผิดจากความจริงไงความจริงก็เรียกว่ามันถูกต้อง มันผิดจากความจริงก็เรียกวมันไม่ถูกต้องเราจะดูดูที่ประชาชนเราถูกวันนี้ทำไมทำให้เสื่อมอะไรทำให้เราเสื่อมความเจริญทำห้เราเสื่อมความสุขทำไ้เราเสื่อมความสบายทำไ้เราเสื่อมไม่ให้ถูกต้องเพราะความสบายเพราะความสุขเห็นแก่ตัวมากท่นนี้ไม่รู้จักฉะนั้นประชาชนเราทาั้งหลายรู้สึกว่าเมืองไทยเรามันจเจริญขึ้นมา เมื่อความเจริญมันเกิดขึ้นมาไอ้ความเสื่อมมันก็เกิดขึ้นมาตามมันตามกันมาเรื่อยๆมาอย่างนี้จะรอถึงถึงวันนี้ไม่จะว่าพูดอะไรให้ลูกหลานเราฟังไม่ค่อยที่จะมีอะไรจะพูดวันหนึ่งอาตมานั่งในรถกับนักศึกษามาจากจังหวัดทางจันทบุรีมันขึ้นมาก็อยากจะถามอะไรโยธ า, ามากรู้อยู่หรือเ่าถามหน่อยนพ่อไอ้โกนผมทําไม อัตมาต่อโกนเล่นโกนเล่นบวชโกนผมทำไมเขาถามโกนเล่น <c oughs> พอดีกันคาคาที่เขาถามเ ล, เลือกกันเลยเท่านี้ก็คือมันถามห า, านเนื้อหาอะไรก็ไม่รู้มันเป็ น, นยยอย่างไรอย่างงั้นคือไม่เข้าใจความจริงฉะนั้นพอดีปีนี้มีนักศึกษาจุฬานิสิตนักศึกษาจุฬาและกระดมคำแห้ง นักศึกษาชุดนี้มียังการศึกษาอยู่ศึกษาจบแล้วก็มีมีถึงตำรวจทันติบาลได้โทอย่างนี้ยังอยู่วัดเขื่อนประมาณสักสี่สิบกว่าคนมาขออบรมตั้งแต่น้นก็มาขอก็อาตมาก็อนุญาตให้ทําอาตมาก็ อ, อยากอบรมนักศึกษาเพราะว่านักศึกษาเนี่ยมันทําความเจริญให้เมืองไทย เด็ก็มันทําความเสื่อมไม่เมืองไทยสองอย่างมันดีทั้งนั้นเนี่ยถ้าว่าลูกหลานเราพวกนี้พวกศึกษาสูงๆมีมีความถูกต้องอัตามาเห็นว่ามันจเจริญในเมืองไทยเราเพราะมีแต่คนดีๆทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่คนไม่ดีมีคนคนมีความรู้อืมนมีความรู้เมื่อมีความรู้แล้วนะ่ะเอมันก็ไปปฏิบัติไม่ปฏิบัติไปตามความรู้มันขาดจากความดี ก็มีติดความรู้เฉยๆอย่างนั้นก็เรียกว่ามีดนี่มันคมแต่เอาไปใช้ในทางที่มันไม่ถูกมันก็เลอะเทอะกันไปหมดฉะนั้นตามอาตมาสังเกตที่ไปอบรมอยู่ทุกวันนี้แต่ไม่เพราะไม่มีอะไรนี่อาตมาอบรมให้ก็ไม่มีใครมีปัญหาที่จะถามอะไรมากมายแต่อาตมาก็ไม่อบรมทุกวันนะไม่อบรมทุกวันเพราะอาตมาเห็นว่า อบรมกันทุกวันเห็นมามันจะดีหรือไม่ดีอะให้โยมอบรมลูกลูกทุกวันดิลองลอ ง, ลองดูสิตอนเช้าก็อกบรมตอนเย็นก็อบรมยืดเรื่อยๆนะถ้ามีลูกชายมันจะหนีไปจากบ้านนาคาญมันเนี่ยมันเป็นไฉอย่างนั้นอาตมาบอกให้ฟังว่าพวกท่านทั้งหลายที่มาอยู่กับผมนี้ไม่ใช่บอกผมเป็นคู่สอนท่านนะผมสอนท่านไม่ได้แล้วท่านต้องสอนท่านเองลองดูสิว่า ที่วัดพระพงน์นี่ที่วัดเขื่อนวนณโพธิยานนี้เป็นที่สงบเงียบนะครับสมกับผู้ประพฤติธปฏิบัติเหมือนกันกับโคมันกินหญ้าต้องเอามาปล่อยใน ส, สนามหญ้ามันก็ต้องกินหญ้าถ้ามันไม่กินหญ้ามันก็เป็นหมูเถอะนี่ยไม่เป็นโคแลวคนมีศรัทธาต้องการความสงบต้องการคุณงามความดี เมื่อปล่อยใจมูพระสงเนนที่ดีมันก็ดูมันถูมันมีนี่ตามันมีนี่มันก็เห็นถ้าหากความมันชอบการประพฤติดีประพฤติชอบมันกันกระโคชีวิตมันกินหญ้าเอาไปปล่อยใจสามหญ้ามันก็กินหญ้ามันก็แย่งกันกินเท่านั้นเนี่ยถ้าไม่กินมันก็เป็นหมูเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่โคเท่านั้นเนี่อาจามาสอนอย่างนี้แต่ก็หยุดไปนะเนียก็ดูไปถามไปด้วย ก็ไม่มีอะไรมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคนเราไม่ไปสอนมากหรอกที่บังคับมันมีมันมีจิตมีใจตามันก็มีหูมันก็มีจมูกก็มีริ้นก็มีกายมันมีจิตมันมีมันรู้อยู่ถ้าหากว่าคนเราไปสอนไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ได้อัตมาจะให้อุปรมพอสามครั้งต่อไปก็นานๆอบรมให้อาหารแก่คนไม่หิวนี่มันจะเอาไหมจะเอาไหมเนี่ยที่มันหิวเราก็ไม่เร่นก็มานี่ บางทีมันบันหนึ่งมาจากเวนทบารเดินมาน้องพอ่อรองพอ่อพระนิพานไปยังไงยุดเดี๋ยวเพิ่งพูดโดยไปฉันอย่างนั้นกันก่อนเรื่องปรนิพานมันเรื่องที่หลังเถอะเราตะพายบาดไปนี่มันเหนื่อยแล้วไปฉันอย่างนั้นถึงพูดกันนี่เป็นไซอย่างงี้จนะ้ะถ้าคนไม่รู้จักมันก็พูดเรื่องปรนิพานเนี่มันฟังกนะันนะอืมเหมือนพูดอะไรให้คนหูหนวกฟังฮนะที่มันไปตามไม่รู้เรื่องนั้น ฉะนั้นจึงบอกว่านักศึกษาปีนี้ท่านทั้งหลายในมีมีบุญมีบุญในมาประสบเหตุการณ์ที่นี่ก็ได้ไปเปืี่ยงคำสอนสอนเท่พอสมควรให้คนที่เจรจาดเนี่ยไม่มากครับคนที่ไม่เจรจาดสอนในียมันเธอมันจะเป็นยังไงก็สอนในยมันเถอแต่ว่ามันเป็นข้าคนสอนด้วยคนไม่รู้กฎเกณฑ์ไม่รู้จักบทบาทของคน โดยมากคนสอนคนนี่ทุกคนชอบว่ามันไม่สบายใจจึงสอนอย่างเราจะสอนลูกเรามันโกรธแล้วถึงสอนนก็ด่ากันเท่านั้นเนี่ยไม่ได้สอนกันดีแล้วถึงนั้นพ่อว่านจะสอนแม่ว่านก็มันโกรธแล้วถึงสอนสอนนก็ด่ากันเท่านั้นเนี่ยก็คนใจไม่ดีไปสอนกันทําไมอาตมาว่าจะไปสอนในเวลานั้นให้ใจสบายก่อนมันจะผิดยังไงก็เอาไว้ก่อนเถอะให้มันใจดีสักก่อนนะเนี่ย อเช่นว่าพ่อบ้านแม่บ้านจะสอนเงินที่มันผิดมาเถ่อเวลาใจไม่ดีปล่อยไปไห ม, นะมวันในทานข้าวเยียมเยีย ม, มสบายอะไรคุณวันนั้นฉันสงสัยว่าไม่ค่อยดีนะีไปพูดกับลูกอย่างนั้นไม่ค่อยดีนะวันหนังอย่าไปทำอย่าง น, น, นั้นก็รับฟังมันกินข้าวเยียมเยียเดี๋ยวนะ้อไอคนนิวหิวไงโมโหไปพูดกันไอเคนไ อ, ไอที่คนรับฟังก็หิวไอคนที่พูดก็โมโหนั่งเอาไฟไปใส่กันเท่านั้นเนี่ย นี่โยมจําไว้นะบางทีเป็นประโยชน์นะโยมเนี่ยอาจจะมาคอยคอยสังเกตเนี่ยไปสอนลูกเตมีรามันโมโหตอนน่้นเนี่ยมันก็เก็บใจเขาท่านเนี่เอาของไม่ดีให้เขาเนี่ยเขาจะเอาทําไมตัวเราก็เป็นทุกขูกวก็เป็นทุกไม่สบายเลยอย่างเงี้ยเนี่อันนี้สอนนี่ก็เป็นของบุคคลเนี่ยคนมันชอบความดีทั้งนั้นเนี่ยแต่ความดีเราไม่พอ ให้ความดีมันไม่เป็นเบราไม่รู้จักบูตบาตรไม่รู้จั ก, กเวรามันก็เป็นไปไม่ได้อันนี้คหมือนกันฉันนั้นอาหารที่มัน อ, อร่อยๆนะเราต้องสดเข้าทางปากเกิดประโยชน์ไหมเอาสดเข้าทางหูที่มันจะเกิดประโยชน์ไหมเอาสิลองลองดูสิอาหาร อ, าอร่อยๆมันมีประโยชน์ไหมคนเรามันมีประตูมันงไงต้องเข้าหาประตูมันอย่างนั้นทุกคนก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์นั้นวันนี้มีโอกาส แต่เท่านี้พี่จะแนะนําพรมสอนพุทธบริษัททั้งหลายทั้งกระดืหัสในวันปราชิตต่อ น, นั้นไปขอฝากคําสอนอันนี้ไว้กับพวกท่านทั้งหลายทุกคนจะให้เข้าใจว่าไอ้คําสอนสอนเท่านี้ยังไม่ได้โยมยังไม่รู้นะที่พูดไปนี่โยมยังไม่รู้ฟังเนี่ยดูจากฟังเท่านะั้นแหะแต่ไม่รู้จริงถ้าไม่ถ้าไม่รู้จริงเนี่ยถ้าจะรู้จริงเมื่ อ, อไรรู้จริงเมื่อโยมไปสอนโยมเองอ่ อัตมาสอนโยมไม่รู้หรอกเมื่อโยมไปสอนโยมเองนั่นแหละถึงจะรู้จักวันนี้จะเปรียบไปฟังฟังง่ายเมื่อนี้ให้ผลไม้สองใบอัตมาห้ใบนี้มันเปรี้ยวนะใบนี้มันหวานนะโยมก็เข้าใจกันก็นึกว่ามันจะเปรี้ยวมันจะหวานทั้งหมดนะออก็เข้าใจอย่างนั้นเมื่อเราไปชิมดูซะโอยใบหนึ่งมันฝาดใบหนึ่งมันขม แม่แต่อาตมาบอกว่าอันนี้มันหวานนะอันนี้มันเปรี้ยวโยมก็เข้าใจว่าเชื่ออาตมาเนี่ยท่านยังบอกว่านคนไปเชื่อคนอื่นอยู่นั้นนะ่ะพระพุทธเจ้าไม่สันเสริญเนานะไม่สันสริญท่านว่าให้เชื่อเจ้าของให้เห็นกับเจ้าของเนี่ยเชื่อซะผลไมอ้อันนี้นานนอาตมาบอกว่ามันเปรี้ยวแล้วก็มันหวานนี่โยมคงจะเชื่อกันนี่เพราะนับถืออาตมาเนี่ยไอความเป็นจริงอาตมาเอาผลไม้ที่มันฝาดหนใบหนึ่ง ได้รกระผมใบหนึ่งยมประทือไปถึงกรุงเทพไม่ถึงก็ขึ้นรถเลยขึ้นบนรถกับผลไมมาทานเด็ดมันมันขมนี่มันฝาดเนี่ยเข้าใจไหมอันนั้นนั่นเชื่อคนอื่นเขาอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเราเชื่อเราว่าเอออันนี้มันฝาดอันนี้มันขมอันนั้นยิียกว่าเป็นปัจจิตังเวทิตาโพบินอยู่ชนรู้เฉพาะเจ้าของเองอย่างนี้อันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างทุกประการนั้น ให้ผลที่สุดนี้ขอให้ฝากธรรมะอันเนี้ยกับญาติโยมทุกๆคนจงนำไปพินิษฐิจรารณาให้มันเห็นแก้งชัดมันจะถอนความทุกข์ความลาบากความยากความสงสัยอกอยากใจของเราถึงความสงบได้พอธรรมะแต่วันนี้ก็คงจะได้ฟังธรรมะแต่คนที่ไม่นอนเท่านั้นนะไอ้คนที่นอนก็เห็นจะไม่ไม่ได้ฟังธรรมะเนาะก็เหมือนคนตายนะ ไม่ได้ประโยชน์ฉะนั้นมนุษย์เราสัวนใหญ่ถึงไม่ได้ประโยชน์เสมอกันเนี่ยยังมาฟังธรรมวันนี้บางคนก็นอนดับไม่รู้ว่าเราพูดอะไรกันเนาะก็ไม่รู้เรื่องเท่านั้นนะนะนี่คนมันไม่เหมือนกันอย่างนี้นาะโยมนะมาวันนี้ก็เลยจะครึ่งหรือรายก็ครึ่งเท่านั้นเนี่ยนะนะจะรู้จักแต่คนที่นั่งฟังที่ไม่นอนเท่านั้นเลนะไอ้นคนที่นอนไอเงีย่ยวไปเกิดประโยชน์อะไรเลยนะอือเหมือนกันเกิดคนที่นอนนอนเอาดินหม้อมาป้ายหน้าลนะ เท่านั้นน่ยก็ไม่รู้ว่าเขาป้ายหน้าเราเมื่อใดนะตอนเช้าก็ไปโค้ารุกขึ้นมาไงไอ้คนก็หัวร้อยย่ออยู่แล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเนาะเมื่อปอเขาป้ายหน้าเราเมื่อใดอันนี้คุณวันคันฉันนั้นการฟังธรรมวันนี้ก็รู้แต่คนที่ฟังคนที่ไม่ฟังก็ไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังก็ไม่ได้รู้นะเอาระวันดังถึงแบ่งกันใหม่นะาไปถึงบ้านคอ่อยๆแบ่งกันก็ได้นาะช่วยๆแบ่งกับพวกนอนด้วยเ น, ะนาะเสียเวลาเอาแล้ว เอาแล้ววันนี้เลิกกันนะเดี๋วใครจะไปนั่งไปนอนก็อย่าลืมการภาวนาความดีของเราเนอะปีหน้าปีต่อไปขอให้มีอายุมั่นขวนยืนนะเดี๋ยมากราบมาไหว้ไดีมาทำบุญด้วยสมัยก่อนเ็าเรียกโอ้ยภาคีศาลมันแห่งแรงเหลือเกินไม่อยากจะมากันเนี่ย อไอ้อคุณหญิงถ้ามตาตมาว่าหลวงพ่อมันมีโรงแรมไหมเมือง อ, อ, บอุบลมีน้าประปาหรือเปล่าอะไรต่ออะไรวุ่นเขาคงนึกว่ามันแห้งแรงไม่ได้กินน้ํามำจะตายกันเนี่ยนะพอมาถึงเราแหมมันดีกว่าผ่านเรานะไอ้อตะามาพาเดินไปทําแสงเพชรเนี่ยอย่างนี้มันก็มีคนพูดคนอื่นพูดก็มีเหมือนเราเห็นเองทุกวันเหมือนกันี่ไม่ใช่ว่ามันเป็นอย่างอื่น บางทีเราก็อยากได้ไว้อัตมาว่าจะให้มันไวที่ภาว น, นานดูเรื่องมันคลยก็เราจะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งนะเปรียบอย่างนี้จะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งจะปลูกต้นไม้ก็เป็นหน้าที่ของเรานะพอเราอยากจะปลูกมันเนี่ยก็ไปหาต้นไม้มาไปหาเอาจอบมาเ อ, อเอาต้นไม้มาก็เป็นเรื่องของเรา เราจะมาขุดหลุมลงไปก็เป็นเรื่องของเราจะย่อนต้นไม้ลงไปในหลุมก็เป็นเรื่องของเราจะกรบต้นไม้ก็เป็นเรื่องของเราจะให้น้ํามันก็เป็นเรื่องของเราจะให้ปุ๋ยมันก็เป็นเรื่องของเราจะรักษาวัแดงต่างๆก็เป็นเรื่องของเราเท่านี้เรื่องของเราไอเรื่องของต้นไม้จะโตเร็วโตช้าไม่ใช่เรื่องของเราแล้วมันเรื่องของต้นไม้แล้วก็ปล่อยให้มันดิแล้วก็ให้ปุ๋ยมันไปเถอะให้น้ํามันไปเถอะรักษาวัแดงไม้มันไปเถอะ ทำหน้าที่ของเราเนี่ยเนเป็นเขาเป้านแมมเมื่อเริัมจะโตนันี่นะอะไรวุ่นวายขึ้นไปเนี่ยไปเอาหน้าที่ของต้นไม้มาทํามันก็วุ่นไม่ใช่หน้าที่ของเราน่ยเราก็ให้นาคของเราไปเถอะให้ปุ๋ยมันไปเถอะด้วยรักษาแมงไม้ไปเถอะต้นไม้มันจะโตเองของมันต้นไม้จะทำหน้าที่ของมันเองเราก็ทำหน้าที่ของเราต้นไม้ก็ทําตามหน้าที่ของต้นไม้ต่างคนต่างทําหน้าที่เท่านั้นมันก็เกิดผลเท่านั้นแหละ อันนี้ไปรถไม่กี่วันหมงอได้มันจะโตนี่ต้นพร้าวนี่กี่ปีมันจะได้กินนะเรียกกระโดดนี้ซะมันแห้งถึงหมดเแล้วมันเป็นเช่นนี้ก็เหมือนคนโบราณนั่นแหละแต่ก่อนมันไม่มีมีขีดไฟน่ะมันเกิดจากหินจากเด็กกันนั่นไม่ไผยอย่างเงี้ยนี่จะบอกเอ้ยไฟมันอยู่ที่ไม้ภผยนี่นะเนี่ยเอาไม้ไผยสองซี่มาสีกันเกิดไฟเท่านั้นแหละเราไล้ยินคนนึกว่ามันจะง่ายๆนะเอาไม้ไผ่สองซี่มาสีกันนี่ยมันเกิดไฟ สีไปเรื่อยๆสีไปมันจะเกิดเหมือนกันเนี่ยบางทีมันถึงพัวรออกแล้วคนเหนื่อยขี้เกียจก่อนหยุดหยุดมันก็เย็นแล้วนะเริ่มใหม่อีกชวนจะมีไฟเริ่มก็เย็นอีกแนละ้วทำไมไม่มีไฟความร้อนมันไม่สมดุลกันมันก็ยังไม่มีใจเรามันร้อนไปก่อนเี่นนั้นก็เลยบ่าซีไม่ไัยเนี่ยไม่มีไฟไม่ําปล่อยไฟไม่มีก็พอเราทําไม่ถึงที่มันเราขี้เกียจก่อนนะ ถ้าเราทำเรื่อยๆของมันไปอย่างนั้นมันก็เกิดไฟขึ้นมาได้เท่านั้นแลอันนี้ก็มันการฉะนั้นจะอดทนอดทนนี่เป็นแม่บททั้งหลายต่างพวงเฉะนั้นทุกคนใครจะมีหน้าที่การงานข้าราชการในทำมาหากินทุกประการก็เป็นคนอดทนในหน้าที่การงานของตนความอดทนนั้นเป็นแม่บทของธรรมะทั้งหลายต่างพวงนั้นฉะนั้นจะร่วมทุกได้เพราะการอดทน ความอดทนนี่จึงเป็นของสำคัญฉะนั้นทุกคนก็ให้อดทนเมื่อถูกอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาไม่ชอบใจก็ให้อดทนที่มันชอบใจเกินไปก็ให้อดทนอย่างเนี้มันก็ไปได้เท่านั้นและนี่นี่เรียกว่าการประพฤติปฏิบัตินะวันนี้ที่เดวันญรรยาตธรรมมาวันนี้นะเอาธรรมะใกล้ๆเราเอาธรรมะกระตัวของเรามาพูดในฟังนะจะได้เห็นกัน ง, ง่ายๆ มีอยู่ในตัวในตนทุกๆคนจะพูดให้ฟังอย่างนี้แฉะนั้นของจะเป็นโอปนายิกธรรมให้น้อมคําสอนนี้เข้าไปพิจรารณาจะได้เห็นทุกสิ่งทุกส่วนทุกประการในกายในจิตจของเจ้าของทั้งนั้นแนะที่เรียกว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้จกทุกขไม่รู้จะเกตดในเกิดทุกไม่รู้วความหลับทุกขไม่รู้ข้อปฏิบัติไม่ถึงความหลับทุกขอันนี้เรียกว่าเราไม่รู้ทั้งนั้นน่ะ ให้ฉะนั้นบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายทั้งกฤหัสเดียวันปราชิตในวันนี้นะได้มาพร้อมเพียงสามะคีกันทำบุญกุศลผลที่สุดท้ายก็ได้มาฟังธรรมะนะเมื่อฟังธรรมะแล้วเอาไปพยยิจารณาไปปฏิบัติให้มันเป็นธรรมะให้ธรรมะมันอยู่ที่ใจให้ใจอยู่ที่ธรรมะให้มันเข้าใจ ถ้ามันเข้าใจแล้วไปพบอะไรต่างๆมันก็เห็นอยู่ในใจของเราไม่เห็นที่อื่นแนอวไปพบความผิดอะไรมันรู้จักปากพูดไปมันจะผิดใจก็รู้จักตามองไปมันเกิดความรู้สึกมาผิดจิตรู้จักนะไม่ใช่อื่นมิฉะนั้นพระพุทธเจ้าตนในพึงตน้นในพึงต้นของตนอัตโนโจทยัตนานังจงเตือนตนด้วยตนเดงคนอื่นใครจะเตือนได้ ไ, ดไหมต้องเตือนเจ้าของ อย่าอาศัยคนอื่นนะโยมนะอาศัยตัวเรานะอาศัยตัวเราปฏิบัติเอาที่มาอยู่ร่วมกันมากมนี่อาศัยเป็นเพื่อนกันมาแต่นั้นแหละแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าเข้าใจไหมว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่อันนี้ท่านสอนตอนท่านถามแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นคําสอนของท่านเต่ตัวท่านไม่อยู่ถึงเอามาพูดก็ เ, เฉยเฉยเสชย ในความเป็นจริงดังด่าวมาวันคืนมันร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่วันคืนร่วงไปร่วงไปคือชีวิตเดิมมันหมดไปหมดเลททำอะไรอยู่ไหมวันนี้วันนี้คิดอะไรอยู่ไหมทำอะไรอยู่ไหมผิดไหมถูกไม่ดีไม่ชั่วไหมทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ท่านจะสอบสวนเจ้าของอย่างนี้เองถ้าเราคิดเช่นนี้มันก็เห็นความผิดถูกที่ตัวของเจ้าของเมื่อรูจากผิดถูกก็รู้จักที่แก้ไข ถ้าดูจากที่แก้ไขก็มันก็ถูกต้องอันนี้เรื่องการภาวนานะฉะนั้นมันก็เป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราแก้สิ่งที่มันผิดแต่ผิดเป็นก็มหมดเท่านั้นอันนี้เป็นโอวาทธรรมคำสอนสอนให้ในวันนี้ขอฝากชาวนะครหลวงไปพิจรารณานะอันนี้ทท่าตามความรู้สึกให้ฟังอันนี้เรียกว่าธรรมะไม่มีต้นไม่มีปลายเป็นธรรมะตรงนั้นเนี่ยอยู่ในเนี่ย ถ้าเราเห็นได้ก็สบายใจในฉะนั้นบัดนี้การเวลาก็พอสมควรนะฉะนั้นผลที่สุดนี้ขอด้วยอำนาจของคุณประศิรัตนใจจงปกปักรักษาของพุทธบริษัททั้งหลายพูดทั้งมั่นในประธรรมวินัยนี้ให้เป็นผู้มีอายุวันนะสุขะปาระตลอดกาลนาน